วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2537 เป็นการบรรยายสรุปพระอภิธรรมเบื้องต้นโดย เอ่อได้แสดงๆอีกหลายลักษณะตามเอกสารที่ได้ 4 ชุดใน 24 นั้นก็ 89 หรือ 121 ดวงที่จําแนกโดย โดยนัยยะของอภิธรรมัตตสังหะในชั้นต้นนั้นได้ขมวดจิต 4 ประการจิต 4 ประการนี้หมายถึงจิตที่แบ่ง ภูมิด้วยกันในภูมิแรกนั้นคือกามาวจรจิตใน ก็ที่เรียกว่ากามาวจรจิตจํานวน 45 นี้ผมย้ําอีก อยู่ในวัตุกรรมนั่นเองในวัตถุกามนั่นเองก็เกี่ยวอยู่ในวัตถุกามนี้การเกาะเกี่ยวของบุคคลต่อวัตถุ ต่อไปรูปาวจรจิตรูปาวจรจิตคือจิตที่ท่องเที่ยวที่เรียกว่ารูปภูมิเฉยๆและจิตที่ท่อง และท่องเที่ยวไปในรูปพรหมบุคคลเป็นรูปฌานบุคคลบุคคลคือ คนที่ทําฌานทําสมาธิจนถึงขั้นจิตที่ท่องเที่ยวไปในอรูปภูมิเพื่ออรูปภูมิและ กับก็เป็นนั้นว่าบุคคลก็เป็นอันว่าคําว่าอาวจรที่แปลว่าท่องเที่ยวมีความหมายเรียกว่ารูปอาวจรทํา ก็ท่องเที่ยวไปในอรูปภูมิไปในกามภูมิในรูปอบาย 4 มนุษย์ 6 รูป 15 ชั้นที่มีจิตคือ 4 ชั้นและ ก็ก็จะเห็นว่าจิตเป็นอย่างภูมินั้นก็จะเห็นว่าจิตอารมณ์และบุคคลเกี่ยวข้องกันเกี่ยวข้องกามมบุคคลกามจิตกามอารมณ์รูปบุคคลรูปรูปาวจรชื่อ ที่มีความหมายอย่างนี้นี้ถ้าคนที่เรียนมาเยอะหรือสิจะ ได้รูปฌานก็ได้อย่างนี้ไม่ไม่เปลี่ยนชื่อเป็นเป็นกามวจรหมดเลยนะฮะก็ไม่ มาตัวภูมิของมันภูมิลมเหล่าเดิมจริงๆของมันเนี่ยหลักแหล่งของมันที่ตั้งของมัน เรียกรูปาวจรจิตรูปาวจรจิตนั้นโดยเอโดยหลักแหล่งหรือที่ตั้งหรือภูมิลําเนา 27 เนี่ยนะ ภูมิต่างๆว่าจิตใดเกิดในภูมิใดในจิตปัจจุบันนี่แหละครับๆนั้นสับสนถ้ากล่าวโดยการ จึงจะเกิดในภูมิใดก็ตามว่าจิตพ้นโลกจิตข้ามโลกจิต 3 ทั้งที่โลกุตตรจิตเนี่ยเวลาเกิดมันก็เกิดในมันไม่เกิดใน ไม่ได้เรียกว่ามันเกิดที่ไหน ตามบุคคลก็ทําให้บุคคลพ้นจากความเป็นกามมาบุคคลนั้นเกิดขึ้นกับรูป แบ่งเป็นสามกลุ่มเบื้องต้นก่อนเป็น 3 กลุ่มเบื้องต้นก่อนกามวจรจิตที่ได้อธิบายความหมาย เพราะว่าท่านถือว่ากามาวจรจิตเนี่ยเป็นจิตเล็กน้อยเป็นจิตมีอานุภาพ ถ่ายออกไปจาก 8 ให้เห็นชัดขึ้นในที่นี้ว่าโลกุตตระ ในแง่ของกรรมเนี่ยเรียกว่าโลกุตระวิบากก็เป็นจิต ผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์ปุถุชนพระอริยบุคคลเบื้องต่ําที่ยังไม่หมดอ่าเต็มไม่เต็มหน่วยถ้า แตกต่างจากปุถุชนที่วิบากไม่บัญญัติบัญญังยังเกิดขึ้นได้เพราะมีกิเลสเป็นตัวไขหนทางทําโอกาสที่จะให้กรรม รูปาวจรวิบากรูปาวจรกิริยาเหมือนกันอีกรูปาวจรกุศลก็คือคนที่เข้าฌานที่เป็นปุถุชนและเป็นพระเสขะบุคคลมีประโยชน์ระดับต้นเวลาเข้าฌานและยังเป็นกุศลยังมีแต่ถ้าพระอรหันต์ อาจจะได้ให้รายละเอียดสืบต่อไปต่อไปจิตกามาวจรจิตมี 12 เนี่ยเรียกว่าเป็น 12 ซึ่งความจริง ไม่ใช่แต่เฉพาะในอบายภูมิพอเราฟังดูว่าเป็นอบายภูมิแต่ไม่ใช่หรอก 12 นี้เกิดอบายภูมิในมนุษย์ภูมิเทวภูมิลมภูมิทั้งหมดเกิดได้เป็นอสันญีนั่นเองเกิดได้มาก คุณธรรมของสัตว์ในภูมินั้นๆคือสัตว์ในแต่ละภูมิมันก็มีคุณธรรม เป็นอันมากอกุศลทั้งหมดละโลภะมูลจิตดวงที่ 1 เปโลภะที่มีความๆว่าไอ้ทุกจิต ผู้ที่ฉลาดมนสิการดีก็จะฉวยเอาไปเป็นประโยชน์คือเอาไปเป็นที่ตั้งของกุศลอย่างเช่นหูเราฟังเสียงธรรมะเนี่ยไอ้หูที่ฟังเสียงถ้าหาก ใครก็ได้นะเอาสายเดินที่คือก็ได้หรือสัตว์ใดที่เนี่ยเขาจะไม่เกิดความโลภและความหลงหรือ ขาดโยนิโสมจิตเป็นอโยนิโสมคือได้ยินแล้วเกิดอกุศลอย่างเช่นเวลาไปดูอะไรดูสิ่ง คณะดูสิ่งที่เป็นเป็นโทษไม่ ความรู้ชั้นแล้วก็ไม่ใช่ความรู้ชั้นหลังชั้นแรกเป็นอกุศล 3 3 ชั้นทีนี้ไอ้ชั้นหลังเนี่ยรับ 2 บางคนก็ ก็เรียกว่าขัดทุนทั้งรู้แรกรู้หลังขัดทุนรู้แรกก็คือรู้ทีแรกก็เป็น ทำให้เกิดอกุศลภายหลังมนสิการไม่ดีเป็นอย่างนี้ทีนี้บางคนนั้น คำว่าทีหลังเนี่ยมันก็หลังนานก็มีหลังไม่นานก็มีหลังนาน แล้วก็มาเกิดภายหลังก็มาเกิดภายหลังก็มีหลายอย่างต่างกันอย่างนี้บางคน ด้วยจิตหลังกามัวจรโสภณะรูปาวจรอรูปาวจรเนี่ยน่ะเป็นจิตจำพวกกุศลจำพวก ถ้าคนเกิดกุศลทำกุศลปราลภกุศลอะไรที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับกุศลเนี่ยแล้วเอาอกุศลเข้าๆมันจะเป็นตัวทําลายกุศลของตัวบุญที่ จะทําไปทํามาบาปลามใหญ่โตเพราะฉะนั้นในหลักทางศาสนา คำนั้นถึงตัวนี้ตัวแรกเราแก้ได้ อเหตุกจิตที่ท่านแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 3 กลุ่มกลุ่มแรกเป็นวิบากคือเป็นผลของอกุศลผลของอกุศลเนี่ยไม่จําเป็นต้องปล่อยเป็นอกุศล ไม่ได้เป็นตัวบาปแต่เป็นผลของบาปที่ไปฆ่าเขาตายไม่งั้นก็ติดคุกแล้วก็ ที่มาเป็นทําให้ผู้นั้นตกตระกูลเนี่ยตัวนี้ไม่เป็นบาปจริงไม่มีโลภะๆก็เรียกว่า ใช้คําว่าเหตุใส่เข้ามาข้างหน้าเพื่อ บาปเนี่ยไม่เป็นบุญทั้งนั้นแหละไม่เป็น ฆาตสัตว์อย่างเป็นอปยากตะไม่มีเพราะโลภแล้วมันโลภแล้วมัน เพราะว่าอโลภะอาโทสะอโมหะนั้น จึงเรียกว่าเป็นสาเหตุกกุศลวิบากงั้นกุศลนี้ผลเป็นสาเหตุกเป็นถือว่าเป็น ศัพท์เรียกว่ากิริยาจิตว่าเกิดขึ้นตามแรงกระทบของอารมณ์เรียกว่า ด้วยอโลภะด้วยอาตุสสะด้วยอโมหะจึงเป็นอเหตุกกิริยามี 3 ดวงแต่ในชั้นนี้น่ะเวลาเราเรียน จำไปได้บ้างนิดหน่อยจำเนี่ยไม่ว่าจำแบบท่องอย่างเราน่ะคงไม่เหมาะที่จะจำแบบท่องใครต้อง ต่อไปครับครับกามาวจรโสภณจิตกามาวจรโสภณจิตที่เรียกอย่างงามงามตรงนี้แตกต่างกับคํา ซึ่งอาจจะเป็นกุศลหรืออาจจะเป็นวิบากของกุศลหรืออาจจะเป็น จิตที่นิพพโสภนาเนี่ยมีจิตเช่นเวลาที่ที่ใครเค้าบอกว่าคนนี้มี เราพูดค่อนข้างจะเน้นในแง่คุณค่าทางจริยธรรม เนี่ยถ้าสมมุติว่าอย่างเวลาคนก็ชมกันเนี่ยบางเออคนนี้ใจกว้างบางคนชอบที่จะได้ยินคําชมอย่าง กุศลมาชมแต่บางคนมาชมคนเดียวกันบาง ทางวาสนาบารมีของคนนั้นมงคลมันไม่ชอบที่จะได้ยินคําว่าใจอะไรทํานองอย่างนั้นๆเงาๆไม่งั้น ใจกว้างในแง่จริยธรรมหน้าที่อะไรพวกนั้นๆจริงๆมันปนอยู่ด้วยกันแต่ว่าถ้า 2 คนเราจะเลือก แล้วคนที่ใจบุญเนี่ยบางทีมันเป็นคนที่มีศีลมีธรรม ใช่มั้ยจงมีใจกว้างมันดีก็ทําธุรกิจทําการค้าก็คนหนึ่งมุ่งอย่างหนึ่งคนหนึ่งมุ่งอีกอย่างนึงท่านสอน มุ่งทั้ง 2 อย่างแล้วก็เน้นสถานการณ์บางโอกาสบางบุคคลบางภาระหน้าที่ไปในจุดนั้นเช่นถ้าสังคมของสังฆะวัตถุ สอนแก่อุบาสกอุบาสิกาไปวัดไปวาแสวงหาลดอันเลิศไป แล้วก็ไม่ได้คิดมุ่งเอาเลยตัดใจไปเลยเนี่ยฮะก็อาจจะมุ่งบุญอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ ชวนให้ดูกามาวจรโสภณะก็โสภณะจิตเป็นจิตที่ดีงามที่ผมอีกทีว่าจริงๆมันแต่ไอ้จะคุณค่าทางจริยธรรมเนี่ยมัน พระอรหันต์มีคุณค่าทางบุญมั้ยไม่มีเพราะว่าท่านทําเป็นกิริยางั้นคุณค่าที่มีก็ เป็นจุดร่วมเสมอกันเมื่อโสภณะมีมีจุดร่วมอย่างนี้ที่จิตที่ดีงามฝ่ายกามาวจรระดับกามกามจิตจิตนั้นเป็นกามจิตที่เกิดกับกามภพเกิดกับกามอารมณ์เกิดใน ถึงจะไปเกิดที่อื่นยังไงได้คือเกิดนอกที่ตั้งนอกเอกสาร นะนี่หน้าสุดท้ายเลยมันจะจบเปล่าไม่รู้น่ะสันนะอวตถานะหน้าสุดว่าจิตจิตที่เป็น คุณว่าจิตนี้มีคุณค่าในทางกรรมในทางกุศล มันไม่ชัดเจนน่ะเราเรานึกอย่างนี้ว่าๆนะดูลักษณะตั้งแต่หัวจบเท้าและท่าทางเป็นคนอ่าเร อย่างที่พวกเราจะชวนไปให้ บาบุพกรรมคือกรรมที่กระทําไว้เดิมกุศลที่กระทําไว้ ทั้งที่นั่งอยู่เฉยๆคนนี้มีลักษณะซื่อคนนี้มีลักษณะผัดๆจิตเหล่านั้นยังไม่ สร้างทําให้เกิดร่องรอยขึ้นหลงเหลือในปัจจุบันมันก็เป็นลักษณ์ฐานมันก็สะท้อน แล้วก็ดูดูลักษณะทางนิสัยนี่ในแง่จริยธรรมของคนนี้จิตใจเป็นอย่างนี้คนนี้จิตใจเป็นอย่างนี้แล้วก็บางคนมันก็ 2 อย่างไม่ จะว่าแต่ว่ามันขัดกันมันก็ไม่ถูกทีเดียวคือสังสมมาได้กันแต่ผมจึงชวนให้ไปดู บุญอีกแล้วเหลือแต่ความเป็นเจรียธรรมเท่านั้นเองงั้นพระอรหันต์ทําอะไรต่อมีอะไรเนี่ย เวลาจะทําอะไรจะกําหนึ่งถึงธรรมะและจะแล้วเข้ามาได้ ประพฤติการอันหนึ่งที่เรียกว่าใช้วัตถุสิ่งของที่เขาถวายเขาให้ด้วยสถานด้วยอาการไม่เคารพทําให้มาต้องชะตากรรมร่วมกันอย่างหนึ่งทั้งที่ทํากรรมกันมาคนละ คนนี้ยิ่งได้ธรรมะสูงเท่าไหร่เนี่ยเเคารพผู้ให้ธรรมะคือพระพุทธเจ้าเเคารพธรรมะแล้วเวลาคนจะทําอะไรกับ แต่ฆ่าต่างเจริยธรรมเนี่ยไม่ถือเป็นมารพระอรหันต์ตูตยะไม่ตำหนิฆ่าทางนี้ๆเป็นมารกัลยาณธรรมเป็นมารแต่บุญเป็นมารนั้น พฤติกรรมท่านเรียบร้อยหมดจะวงจะไหว้จะทําอะไรเนี่ยไม่มีกิเลสเข้ามาทําให้ แต่ว่าเอาถึงบางท่านไม่เป็นแต่ก็เดินตามไป ไม่เป็นของลึกซึ้งเหมือนอย่างอรูปาวจรกิริยาหรือรูปาวจรกิริยาเนี่ยทั้ง แล้วก็กามาวจรโสภณจิตเนี่ยจํานวนเต็มมี 24 เป็น 8 เป็น 8 เป็น 8 เรียกสั้นๆว่ามหากุศลมหาวิบากมหากิริยานั้นในจํานวนที่ ทั้ง 3 เนี่ยนะเป็นที่เกิดในอารมณ์คืออาจจะไม่ใช่เป็นบาทแก่ ต่อไปมหคตจิตที่แบ่งเป็นรูปาวจรอรูปาวจรนี้ตรงนี้ไม่จําไม่ต้องครับเราพูดถึงโลกุตตรจิตคือมรรค 4 4 มรรค 4 ก็โสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคผล 4 ก็มีชื่ออย่างเดียวกันเป็นแต่เรียก คุณสัมบัติทางฌานฌาน 1 ถึงฌานที่ 5 โลกุตตระ 40 เพราะมีคุณสัมบัติทาง 81 โลกุตตระ 20 โลกุตตระ 20 ก็คือมรรค 20 ผล 20 นั่นเองมรรคเรียกว่าโลกุตตระกุศลบ้างผลเรียก <ม. S 1> 40 โลกุตตระ 40 ได้ถูกจําแนกไปตามอํานาจของฌาน 5 ฌานเนี่ยที่จริงมี 9 ใช่มั้ยมีใช 9 ชั้นน่ะตัวมี 9 ชั้นเพราะ ก็เฉพาะจานกุศลเกิดขึ้นกับมรรค 4 แล้วเมื่อเกิดขึ้นกับมรรค 4 อย่างไรเวลาไป อัมมรรคเกิดและเค้าได้ฌานเค้าจะต้องเข้าฌานที่เป็นกุศลอย่าไปเข้าฌานวิบากได้ไงใช่ นะคนจะเอาฌานเป็นบาดเนี่ยก็ต้องเข้าฌานฌานที่เข้านั้นต้องเป็นกุศลเมื่อ พอโสดาปัตติมรรคเกิดกระจายที่ 1 เมื่อผลเกิดผลจิตเกิดก็เกิดที่ 1 ทีนี้ถ้าถามว่าแล้วฌานกิริยาล่ะเอาเป็นบาดต่อเนี่ยเป็นคนจะเข้าฌานกิริยาได้ต้องเป็นปราหลันใช่มั้ยล่ะเป็นพระอรหันต์นั้น ฌานยังเป็นกุศลอยู่ยังไม่เป็นกิริยาตอนนั้นณเวลาเข้าฌานเป็นกุศลมาโดยลําดับ กิริยาไม่ใช่เกิดก่อนที่หลังไม่ใช่เกิดก่อนเมื่อเกิดได้ทีนี้ท่านอาจจะสงสัยและจะเข้าฌานเป็นได้หรือได้ต่อใหญ่เข้า วิปัสสนาที่พิจารณาฌานนั้นนําไปสู่การบรรลุ พระอรหันต์เนี่ยเวลาอยู่จบแล้ววิปัสสนาแล้วก็ไป พวกที่ปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์ก็ไปตันแกนนั้นอธิษฐานขวางไว้คนที่มีอ่าอันนั้นมีอนันตลีกรรมค่า แต่โดยธรรมดาไม่ใช่ว่าพวกข้าพ่อข้าแม่ที่เป็นตาแล้วไปทําญาณให้มีไม่ไม่มี ตันเพราะอะไรเพราะอะไรไม่ใช่ตัณห์เพราะทําไม่ได้ 40 คือ มรรคไบบนก็ได้ความว่าเกิดพร้อมประชาณก็ได้ความว่าโลกุตตรจิตที่เกิดพร้อมกับปฐมฌานโสดาปัตติมรรคโสดา 4 ที่ 1 เป็น 1 ก็จะเห็นว่า คู่กันก็ได้ทุติยมรรคแต่เป็นปฐมฌานจตยมรรคแต่เป็นปฐมฌานจตุตมรรคแต่เป็นปฐมฌานนี่เรียกว่าอ่ามันไม่ได้เป็น อ่ะก่อนที่จะล้ําดับต่อไปพอมาถึงผลเนี่ย <ME> 8 ตามมรรค 1 ทีนี้ 8 ตามมรรคตามฌาน 2 ฌาน 2 อันนี้ก็ระดับเดียวกันนี้ก็ระดับเดียวกันกอหีนะไม่อยาก 8 นิตตติยฌาน 8 ก็ได้อีกละ ทีนี้ก็มาดูจตุตถฌานจตุตถฌานที่ ไปถึงปัญจมฌานฌานที่ 5 ประกอบกับมรรค 1 มรรค 2 มรรค 3 มรรค 4 แล้วก็ผล คือถ้าจะเข้าแค่ฌานที่ 1 แล้วพิจารณาเมื่อทําปุโสดาปัตติ พอทำฌานที่ 2 ก็ทุติเอ่อทำสกตา 3 ก็ 4 ก็จตุตถฌานก็เหลือ 5 นี่ก็อยู่ได้ว่าจะได้ 5 ถ้าได้จตุกะนัย ทำปฐมอาจารย์มาคาบทั้งทุติยอาจารย์ไว้ด้วยก็เป็น 1 ไปต่อไป ไป. ไป 25 ใหม่โครง 3 นะ 121 เป็นกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรและโลกุตตระนี่ก็เป็นการ